ขณะที่จะใกล้ถึงอาสมนั้นอาทิตย์ใกล้อัสดงแล้วรือสีหนุ่มจึงเอ่ยขึ้นว่าท่านทั้งสองจงค่อยๆเดินเถิดส่วนเราจะล่วงหน้าไปตัดเตรียมทำความสะอาดอาสมไว้ให้กล่าวจบก็รีบไปก่อนโดยเร็วรือสีน้องชายได้ยินเช่นนั้นก็ใช้ศีรษะดันสเสลของกัดสปะรือสีผู้เป็นบิดาเร่งให้เดินไปไวๆแล้วก็พูด้วยว่าเดินเข้าเดินเข้า คล้ายๆกันลือศรีลือศีเท่าโกรธขึ้นมาทันทีตะวาดด้วยความรําคาญออกไปด้วยเสียงอันดังว่า mm. เจ้านี่จะพาเราไปตามชอบใจของเจ้าหรือว่าแล้วก็ขวนกลับไปเดินมาใหม่อีกยื้อยุดยื้อเยื้อกันไปมาอยู่อย่างนั้นเสียเวลาทะเลาะกันอยู่นั่นแหละจนกระทั่งเวลาได้มืดค่ําแล้วฝ่ายลือศีหนุ่ม ปัดกวาดอาสมตั้งน้ำใช้น้ำดื่มไว้เสร็จเรียบร้อยจึงถือคบเพลิงออกไปหาพบเห็นรือสีทั้งสองกำลําทุ่งเถียงกันอยู่จึงสักถามว่าท่านทั้งสองมัวพูดคุยอะไรกันถึงได้ร่าช้าเนิ่นนานอย่างนี้รือสีน้องชายจึงเล่าเหตุการณ์ให้ฟังเมื่อรู้เรื่องราวแล้วรือสีหนุ่มได้นํลือศีทั้งสองให้เดินไปชา้าช้าจนถึงอาสม แล้วช่วยเก็บบริขารให้พากัศปะฤสีไปอาบน้ำทำการร่างเท้าทาเท้าและนวดหลังให้จากนั้นก็เข้าไปนั่งใกล้ๆฤสีผู้เท่าซึ่งหายจากความเหน็ดเหนื่อยอิดโรยแล้วได้เอ่ยปากขึ้นว่านาตอนนี้ภิกษุเอยรยฤสีหนุ่มเนี่ยนะกำลังจะแนะฤสีผู้พอ่อละข้าแต่ท่านกัสปะแม้ว่า มีเด็กหนุ่มมาด่ามาแช่งหรือมาตีก็ตามด้วยความเป็นเด็กหนุ่มนั้นบัณฑิตผู้มีปัญญาย่อมอดทนต่อความผิดที่พวกเด็กทําแล้วทั้งหมดนั้ น, นกําลังกำลังสอนพ่อและวพูดง่ายว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนมีอายุมากแล้วนะคนเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยโดนเด็กมาดา่ามาว่ามาอะไรเ่ยจริงๆแล้วพูดง่ายควรจะอดทนอดทน นะไม่ควรไปถือษาไม่ควรไปเอาถือผิดกับเด็กๆนะอะไรๆเนี่ยมันน่าจะป่วยง่ายว่าเขาเด็กน่าจะยกให้เขาได้หากแม้สัตตบุรุษทั้งหลายวิวาทกันก็สามารถกลับเชื่อมกันได้สนิทโดยเร็วส่วนคนพาลทั้งหลายย่อมแตกแยกกันเหมือนภาชนะดินแตกเป็นเสี่ยงๆพวกเขาย่อมไม่ได้ความสงบเวรกันได้เลย คือกำลังบอกว่าถ้าเป็นบัณฑิตนะหรือว่าเป็นสัตบุรุษเนี่ยหมายถึงคนที่มีสัมมาทิฏฐินะเนี่ยถ้าเกิดทะเลาะกันแล้วเนี่ยบัณฑิตเนี่ยจะปรับจิตปรับใจเนี่ยแก้คืนได้เร็วแก้คืนได้ง่ายแล้วก็พูดง่ายว่าให้อภัยกันไปเพราะฉนั้นก็กเดี๋ยวก็คือดีกันแล้วก็เชื่อมต่อกันติดได้ง่ายคนที่จะเชื่อมต่อกันติดไม่ได้ทะเลาะกันอยู่นั่นแหละเกลียดกันอยู่นั่นนะชังกันอยู่นั่นนะ นะเชื่อมกันก็ไม่ติดต่อก็ไม่ติดนั่นแหละคนพาล น, นิสัยคนพาล น, นะไม่ใช่นิสัยบัณฑิตเลยแล้วไม่เพียงแต่เชื่อมต่อก็ไม่ติดเท่านั้นนะยังฤาษีดุมนี่ยังบอกว่านั่นแหละจองเวรกันด้วยที่ต่อก็ไม่ติดนี่คือจองเวรกันเอาไว้เพราะนั้นก็เกียจก็กเกียดอยู่นั่นแหละฉะนั้นหากผู้ใดรู้โทษที่ตนได้กระทำไปแล้ว หมายถึงรู้ความผิดที่ตัวเองกระทำไปแล้วและผู้ใดรู้จักแสดงโทษของตนแสดงความผิดของตนคนทั้งสองนั้นย่อมพร้อมเพียงกันยิ่งขึ้นความสนิทสนมย่อมกระชับแน่นไม่เสื่อมคลายเพราะฉะนั้นคนเราจะอยู่ร่วมกันได้นะตอนนี้ฤาษีกลาลังแนะว่าคนที่พูดง่ายว่ากล้ายอมรับผิดนั่นเองนะรู้ว่าอะไรที่ตัวเองผิดบ้างเนี่ยไม่รู้และ ไปผัด ส, สะหรือว่าไปกระทบกันเรื่องอะไรก็ตามแต่กล้าสารภาพว่าเอออันนี้ฉันผิดเองเพราะการที่ต่างคนต่างกล้ากล้ายอมรับผิดในส่วนที่ตัวเองทําผิดพลาดนั่นแหละจะสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นเพราะคนเราเนี่ยยอมกันได้เพราะอะไรที่ ท, ที่คนไม่ชอบกันเนี่ยคนทะเลาะกันแล้วก็จะจะยอมความกันได้เพราะอะไร เพราะส่วนใหญ่จะต้องพูดจาอย่างไงกันส่วนใหญ่ก็นั่นแหละจะใช้คําว่าปรับความเข้าใจก็ตามแต่ที่จริงแล้วทะเลาะกันเนี่ยส่วนใหญ่ต้องผิดทั้งคู่อะถูกไหมถ้าจะทะเลาะกันเนี่ยต้องผิดทั้งคู่อะแต่ว่าเราจะพูดไปแล้วทําให้อีกฝ่ายนึงยอมเราเนี่ยเราเราก็ต้องพูดเออฉันไม่ถูกนะอย่างงั้นอย่างนี้นะ คือเราเราพูดความผิดพลาดของเราเราพูดความบกพร่องของเราออกไปเนี่ยฟังให้ดีๆนะเราพูดความบกพร่องเราพูดความผิดพลาดของเราออกไปเราก็ขอโทษอันนี้แหละจะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเย็นลงได้แต่ถ้าปกติที่ทะเลาะกันอยู่เนี่ยเรามักจะพูดความผิดของใครเรามักจะพูดความผิดของอีกฝ่ายหนึ่งนะเถียงกันอยู่นันนก็ต่างคนก็ต่างพูดความผิดของอีกฝ่ายหนึ่ง จริงๆมันมั น, ม, นมันก็จะได้รู้กันเหมือนกันนะถูกไหมอ้าวถ้าสมมติว่าเราพูดความผิดของอีกฝ่ายหนึ่งแล้วเขาก็พูดความผิดของเราที่จริงก็รู้ด้วยกันใช่ไหมอ่าทั้งสองฝ่ายก็รู้กันใช่ไหมแต่ที่มันยอมกันไม่ได้ตรงไหนแหละตรงที่บอกว่าก็เองพูดมานี่เองว่าข้าผิดนี่ <laughs> ที่มันยอมกันไม่ได้ตรงนี้ไม่ใช่ว่าไม่รู้ว่าใครผิดอะไร ฟังดูดีๆจริงๆแล้วเนี่ยว่ารู้ว่าใครผิดเนี่ยต่างคนก็รู้ถ้าต่างคนต่างพูดความผิดของอีกฝ่ายต่างคนก็ต้องรู้ทีหูไม่หูไม่นวกนี่เพราะฉะนั้นมันก็ต้องได้ยินสิเพราะฉนั้นก็รู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งผิดอะไรเหมือนกันแต่ที่ใจไม่ยอมนี่คืออะไรก็เองว่าข้าผิดอะ<ช Bref>เองไม่ผิดอะไรเลยเหรอเรื่องของเรื่องที่มันยอมไม่ได้เองไม่ผิดเหรอเพราะฉะั้น <c oughs> ที่ต้องการเนี่ยต้องการแล้วถจะจะยอมได้ก็คือ เองยอมรับผิดสิใช่ไหมไอ้ที่ต้องการเนี่ยเพราะฉะคนเราเนี่ยถ้าทะเลาะกันเราจะแก้ปัญหาเรื่องการทะเลาะกันได้ก็ยอมนั่นเองเพราะอีกฝ่ายก็ยอมรับผิดของตัวเองไม่ต้องไปบอกว่าคนอื่นผิดอะไรทั้ง2ฝ่ายเนี่ยต่างฝ่ายต่างก็พูดความผิดของตัวเองเถอะทั้งสองฝ่ายแล้วก็จะจะสามาัคคีจะพร้อมเพียงจะปองดองกันได้แต่ถ้าตาบใดเนี่ยต่างคนต่างพูดความผิดของอีกฝ่ายหนึ่งนะ นะมีแต่จะเอาชนะกันถ้าอย่างนี้ไม่มีวันหรอกที่จะปองดองแล้วก็จะสามัคคีกันได้เพราะอันนี้เป็นวิธีการราเนี่ยลือสีนี่กาลังสอนพ่อแล้ว่าเอาพ่อเอามายช่พ่อเป็นลือสีแล้วนะ <c oughs> นะบอกมาอ่าถ้าเป็นสัตบุรุษเป็นบัณฑิตแล้วเนี่ยนะจริงๆแล้วก็ความผิดของเราเราก็รู้อยู่นี้เรามีอะไรผิดบ้างอะ่ะ นะเราก็พูดความผิดของเราออกไปก็แล้วกันพอเราพูดออกไปคนนั้นก็พูดออกมาสังเกตแม่เราดูหนังเรื่องไหนเนี่ยหน้าประทับใจนะที่เวลาที่ต่างคนก็เหมือนกับมายอมรับผิดอะ่ะโอ้โหดูแล้วหน้าประทับใจแล้วพอถึงตอนนั้นเราจะเห็นเลยว่าไม่มีใครทะเลาะใครแล้วเพราะต่างคนก็ต่างยอมรับความบกพร่องของตัวเองเพราะฉะนั้นคนที่รู้สภาวะจิต แล้วทำจิตอย่างนี้ได้จะไม่มีวันทะเลาะกับใครเลยแต่ถ้าตาบใดใครยังไม่รู้สภาวะจิตแบบนี้ไม่เข้าใจอันนี้คนนั้นน่ะยังจะจองเวรยังจะทะเลาะอยู่กับคนอื่นยังจะโกรธยังจะเกลียดชังยังจะต้องเอาชนะคนนั้นคนนี้อยู่ไม่มีวันรู้จบยากที่จะไปสามัคคีกับใครเขาได้นะเสร็จแล้วก็ต่ออีกยังสอนต่ออีก เมื่อคนทั้งหลายร่วงเกินกันอยู่ผู้ใดสามารถเชื่อมประสานให้คนทั้งหลายสนิทสนมกันได้ผู้นั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ประเสริฐยิ่งเป็นผู้นำภาระออกไปเป็นผู้ทรงธุระเอาไว้ดูนะเมื่อคนทั้งหลายร่วงเกินกันอยู่แสดงว่าอะไรก็มีแต่ว่าคนอื่นผิดน่ยไอ้ร่วงเกินกันอยู่เนี่ยมีแต่ตําหนิคนอื่นมีแต่ว่าคนอื่น คนอื่นผิดอย่างนั้นผิดอย่างนี้ทำไม่ดีทำไม่ถูกเนี่ยคือล่วงเกินคนอื่นพูดในความไม่ดีของคนอื่นอยู่นั่นนะแต่ไม่ไม่พูดความไม่ดีของตัวโอของของของตัวเองแต่ถ้ามีใครเนี่ยใครที่จะมาเชื่อมใครที่จะมาพยายามประสานให้คนที่ทะเลาะกันอยู่เนี่ยเขาดีกันได้นะคนนั้นะ่ะย่อมได้ชื่อว่าเป็นผู้ประเสริฐยิง่งเป็นผู้นำภาระออกไปคาว่าภาระก็คือ นำไอ้ความล่วงเกินนำนำไอ้สิ่งที่ ท, ที่ที่ว่ากันผิดผิดเนี่ยคนนั้นสามารถที่จะแก้อันนี้ออกไปได้เนี่ยเนำความไม่ดีนำความความเข้าใจกันผิดผิดหรือคําพูดผิดผิดคำพูดที่เอาแต่มุมมของตัวเองเนี่ยคนนี้จะเก่งในการที่จะทําให้ให้คนที่จะพูดแต่ความผิดของคนอื่นเนี่ย เลิกเลิกพูดความผิดของคนอื่นเป็นผู้ทรงธุระเอาไว้ทรงธุระนี่หมายถึงว่าจะทําให้ทําความสามัคคีหรือว่าทําความสนิท ส, สนมเนี่ยเอาไว้ได้ฤาษีหนุ่มได้กล่าวเตือนสติแก่ฤาษีผู้บิดาแล้วอย่างนี้นับตั้งแต่นั้นมากษัตริย์ฤาษีก็ได้ฝึกฝนตนได้บําเพ็ญอดทนทรมานกิเลสตนจนได้ดีเป็นที่สุดแล้ว พระศาสดาตัดชาดกนี้จบแล้วได้ทรงเฉลยตัวบุคคลให้รู้ว่ากัสปะลือสีในครั้งนั้นได้มาเป็นภิกษุกแก่ในบัดนี้นะกัสปะลือสีนะได้มาเป็นภิกษุกแก่ในบัดนี้ลือสีน้องชายในครั้งนั้นได้มาเป็นสา ม, มเณรในบัดนี้ส่วนลือสีหนุ่มได้มาเป็นเราตถาคตเองนะอันนี้ก็จบชาดกเรื่องนี้ ซึ่งก็ฝากแง่คิดให้กับพวกเรานะในแง่ของเรื่องของอัตมาณนะถ้าใครนี่วันนี้ฟังเรื่องนี้แล้วเอาไปเป็นแง่คิดคือคือคืออย่าปล่อยทิ้งไปง่ายๆลองไปเอาไปแง่คิดดีๆเรื่องอัตมาณะอัตมานะานะานะนี่รู้ยากนะเห็นยากเข้าใจตัวเองเนี่ยยากเพราะบอกแล้วคำว่าเหตุผลเหตุผลเนี่ย ม, มันหลอกเรา ทำให้เราเนี่ยมักจะมองไม่ค่อยเห็นอัตตามาณะของตัวเองราะลองไปพยายามนะใช้จิตละเอียดต้องใช้จิตละเอียดอัตตามาณะนี่ตาข่ายหยาบหยาบดักไม่ติดต้องเป็นตาข่ายที่ละเอียดขึ้นนะเรื่องกางเรื่องพยาบาทอันนั้นยังง่ายตาข่ายห ย, ยาบหยาบดักได้ง่ายนะแต่เรื่องของอัตตามาณะนี่เป็นตัวละเอียดลนะนาเข้าถึงบอกว่า บางทีเนี่ยฐานอนาคามีเนี่ยถึงจะมองเห็นได้ได้ชัดแล้วก็ถึงจะแบบว่ามาลดละมาต่อสู้กับอัตามาณะเนี่ยมากเพราะนั้นระวังให้ดีนะแล้วก็ตัวเนี้ยมันเป็นตัวที่มีอยู่ในหมู่กลุ่มเราเนี่ยมากจนกระทั่งบางคนเนี่ยเทียงคอเป็นเอ็นนะแล้วก็หัวชนฝาดือด้อดื้อรั้นดันุลังโดยที่คิด อยู่แต่ว่าตัวเองถูกตัวเองถูกคนเราเนี่ยพวกเราที่มาในทิศทางนี้ส่วนใหญ่ที่จะดื้อลั้นดันทุลงังจนกระทั่งโวชวนฝาเนี่ย น, นส่วนใหญ่คิดว่าตัวเองดีตัวเองถูกตามเหตุผลที่ตัวเองคิดนะะั่นแหละแต่มุมที่ตัวเองไม่ถูกมุมที่ตัวเองผิดมุมที่ตัวเองพลาดเนี่ยนะมองไม่เห็นจริงๆถึงได้ดื้อลั้นดันทุลังที่จะทาอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นคนนั้นจะไม่มีวันเปลี่ยนวิถีชีวิต เปียนวงโคจร ق, ของชีวิตได้เลยคนนั้นเนี่ยตื่นมาในวันรุ่งขึ้นก็ทําอย่างนั้นอีกเพราะว่าอะไรเพราะความคิดของตัวเองคิดว่าอย่างนั้นมันดีที่สุดแล้วอย่างนั้นมันถูกต้องที่สุดอย่างนั้นตัวเองควรจะทําอย่างนั้นเพราะฉะนั้นคนนั้นเนี่ยทําซ้ําอยู่อย่างนั้นน่ยซ้ำอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นคนที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตประจําวันของตัวเองเนี่ยให้มันลดกิเลสมานาอัตตาได้เนี่ยคนนั้นต้องเห็นามานาอัตตาของตัวเองให้ออกมันถึงจะ ยอมปรับยอมเปลี่ยนแล้วถึงจะลดอัตรามรณะของตัวเองเนี่ยลงมาแล้วคราวนี้เนี่คนนั้นความนอ บ, น, อบน้อมถ่อมตนนะความประสานกับคนอื่นเขานะเป็นคนที่เข้าใจความรู้สึกของคนอื่นได้มากมากกว่าที่เราเคยมีเคยเป็นก็จะเพิ่มขึ้นแล้วทําให้คราวนี้คนนี้อยู่ในหมู่กลุ่มก็ประสานสามกีได้ดีแล้วก็เป็นที่รักของคนอื่นๆด้วย นะคนก็อยากจะมาใกล้ชิดอยากจะทำงานด้วยแล้วก็จะรู้สึกอบอุ่นนะรู้สึกสบายใจนะที่ได้อยู่ใกล้อ่ะวันนี้ก็คงฝากแง่คิดไว้เท่านี้นะ